ขอความสุขความเจริญจึมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายพระสูตรที่จะนํามาเล่าในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องในเถระคาถ า, าลักษณะของพระสูตรที่ปรากฏในพระไัยบิดกช่วงต่างๆนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกันเทระคาถานั้นจะขึ้นโดยคาถาก่อนแล้วในที่สุดเอ า, เอาส่วนของประไัยบิดกจะจบ เฉพาะคาถาท่านั้นและพระตะกระถาจารก็จะเล่าถึงความเป็นมาที่ให้เกิดคาถาเหล่านั้นเพื่อให้ข้อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค า, าถาในตอนต้นกล่าวเป็นใจความนะเป็นใจความว่าพวกเรานั้นได้ฆ่าคนม า, มากแล้วคนเหล่านั้นเมื่อกาลังจะถูกฆ่า ก็แสดงอาการตกใจหวาดกลัวตัวสั่นร้องขอชีวิตแต่ท่านนั้นไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวตัวสั่นได้ร้องขอชีวิตแต่ประการใดหน้าตาของท่านผ่องใสทำไมจึงเป็นเช่นนั้นปธิรักษ์ก็กล่าวว่าเพราสิ่งนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความกลัวและตัณหาในภพทั้งหลาย เราถึงความเกี่ยวข้องด้วยร่างกายซึ่งจะต้องแตกตัาไปเป็นธรรมดานั้นเราได้ละหมดสิ้นแล้วเราจึงไม่เกิดความกลัวเพราะต้องทอดทิ้งร่างกายที่จะต้องทอดทิ้งไปเป็นธรรมดาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ปฏิบัติสมบูรณ์แล้วดูก้อนโจรทั้งหลาย ท่านปรารถนาจะทําอะไรด้วยร่างกายเราก็ให้ทําไปตามสบายเราไม่ได้ติดใจไม่ได้หวาดกลัวและไม่ได้เสียดายจนก็ <c oughs> สแสดงการเริ่มสายของตนถามว่าการที่ท่านจิตการที่ท่านจิตใจเป็นอย่างนั้นมีความเบิกบานแม้ความตายคืบคลานเข้ามา ที่ท่านเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรใครเป็นศาสดาของท่านใครเป็นครูของท่านท่านชอบใจคําสอนของใครพระเทระก็กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของเราเราชอบใจคําสอนของพระองค์พระองค์ได้ทรงชี้หนทางแห่งการปฏิบัติให้และท่านปฏิบัติได้ผลแล้วพระโจนเมื่อได้ฟัง คำนั้นก็เกิดสลดสังเวชใจแล้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระเทเรนองจากคนมากก็แบ่งกันออกไปบางพวกก็ถึงพระใจสนาคมประกาศตนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศระนะบางพวกก็ขอสมาทานศีลบางพวกก็ขอบรนประชาบางพวกก็ขออุปสมบท ท่านที่ข้าวันริชาผสมหติในพระพุทธศาสนาก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระยะบุคคลชั้นสูงสุดไปหลายท่านนี่ก็เป็นข้อความในพระสูตรคือขึ้นมาอลอยๆอย่างนี้เองแต่ก็บอกว่าใครพูดพาสิทธนั้นเท่านั้นเองจะมีข้อความอันเป็นเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่า <c oughs> บุพภาพ ป, ประโยคคือเรื่องราวตอนอดีตการน า, น, า น, นไกล คือในเทระคาฐานั้นท่านเล่าย้อนอดีตหมดได้ถึงบุพกรรมเรียกว่าบุพกรรมคือการกระทําของบุคคลที่ท่านกล่าวถึงในชาติอดีตเพราะพระเทระรูปนี้ชื่ออทิมุติที่จริงอายุท่านอย่างน้อยตอนที่ถูกโจรจับไป <c oughs> ซึ่งจะกล่าวต่อไปนั้นท่านเป็นคนที่มีบา ร, รมีสั่งสมบ ร, รมมา ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอัฏัทัทศสีแต่ก็ไม่เชิงบำเพ็ญบารมีใน พ, พุทธการจริงๆก็เหมือนกับพวกเรานี่ยนะคือทำความดีนอกพุทธการโดยการให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมแต่ตัวหลักก็คงเป็นทานหลังจากนั้นมาท่านก็ เป็นว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัติแต่ด้วยอำนาจชันทะที่มีในใจนี่เป็นจานวนบาลีอีกจานวนหนึง่งคือชันทะที่มีในใจคือหมายความว่าความพอใจในกุศลที่มีอยู่ในจิตสันดานของท่านตั้งแต่ชาติปางก่อนนัน้นสร้างแนวโน้มอัตยาสายของท่านให้ชื่นชมยิน ด, ดีในกุศลอยู่ด้วยคล้ายๆกับชันทะ ที่มีในใจรักความสะอาดของบุคคลทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนเครื่องใช้ไม่สอยของบุคคลนั้นก็จะสะอาดตามไปนั่นคือลักษณะถ้อยคำที่ท่านใช้คำว่าชันท่ามีในใจแต่ฉันท่ามีในใจนั้นมันก็มีได้ทั้งสองอย่างหรือฉันท่ามีในใจในความชั่วมันมีอยู่ก่อนแล้วพอไปเห็นการกระทําชั่วเล่นการพนันก็รีดเข้ไปเลยเห็นดื่มเหล้าก็รีดเข้ไปเลยนี่ก็ถือว่าฉันท่ามีในใจเหมือนกัน ่ดังนั้นในพภพชาติต่างๆท่านผู้นี้ก็สร้างสมอบรมบารมีมาโดยลําดับเรื่อยๆแล้วก็ต้องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์บาลีใช้คําว่าเดวมนุเซสุสังสรันโตท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็นานนะพ <c oughs> ระธาตทัศน์ศีนานมากแล้วก็ในสมัยพุทธกาลนี้ก็ได้มาเกิดเป็นหลานชายของพระสังกิตจ้พระสังกิตที่เคยเล่าว่า อะไรคือแม่ท่านตายในขณะที่ท่านยังไม่คลอดแล้วเขาเผาศพท่านแต่เนื่องจากเป็นพวกปัจฉิมพระวิกษัตรคือพวกพวกที่เกิดมาในพวกสุดท้ายมียานแผ่คุ้มกันคือบารมีทมแผ่คุ้มกันจะไม่เป็นอันตรายเพราะการกระทาของใครก็ตามเป็นลูกของพี่สาวภาษาอังกฤษต่อมาเมื่ออายุประมาณเจ็ดขวบหลวงอาก็ไปลวงนาก็ไปที่บ้าน หันชายก็เกิดชอบใจเลยตามด้วยมาถึงก็ได้บวชเป็นสามเนนไม่กี่วันก็บรรลุมรักผลเป็นพระหันไปถึงคราวจะอุปสมบทตานก็บอกว่าไปพระเทระก็บอกว่าเนนไปบอกแม่เสก่อนบอกแม่ว่าจะอุปสมบทแล้วเนนก็ไปก็ปเดินในทางกลางป่าก็มา พบกับโจรคือโจรในป่านั้นมันก็มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งใกล้ๆจะเป็นเรื่องอะไรเขาเท่าที่สังเกตมานะฮะจากเรื่องต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้คำภีรโจรแต่ว่าจากสังเกตเรื่องใกล้ๆก็อยู่ในเรื่องกว่าในวันนั้นถ้ามีใครเดินมาก็จะต้องจับบูชาเทพเจ้าแห่งโจรจับฆ่าบูชาเทพเจ้าแห่งโจรวงจาปีละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ไม่ทราบ แต่ว่าสามเณรนะ่าิมุตก็มาพอดีเลยมาถึงโจรก็จับจับไปจะฆ่าเตรียมทำพิธีบูชายันตอนนั้นท่านเป็นพระหันแล้วท่านก็นั่งเฉยไม่ได้พูดในจะไรหน้าตาก็ป่องใสไม่ได้แสดงการหวาดหวั่นวิตก ต, ต่อความตายที่จะมาถึงแต่ประการใดโจรมองมองก็ชักจะสงสัยเพราะฆ่าคนมาเยอะแล้วในดงนี้่อทาพิธีบูชายั์ของตอ น, น แต่ก็ยังไม่เคยพบคนในรักขณะนี้เลยไม่กล้าควัน <c oughs> ไม่กล้าทำพิธีก็สอบถามโดยในญาตที่กล่าวแล้วก็มาในญาติที่กล่าวแล้วนั่นคือคาถามันยาวมากก็จําไม่ได้ทุกคําหรอกแต่ว่าใจความมันก็เป็นอย่างนั้ทีนี้ประเด็นที่น่าศึกษาในเทราคาถาก็ต้องย้อนไปถึงอดีตการซึ่งก็เหมือนเหมือนกับเรื่องอื่น ที่กล่าวถึงบุคคลแล้วท่านจะกล่าวถึงบุคคกรรมเป็นการชี้ถึงกระบวนการของเหตุผลที่เกิดขึ้นทยอยกันเป็นลูกขึน้นผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลในปัจจุบันนั้นจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งนั้นอยู่ที่อดีตกรรมส่วนหนึ่งอยู่ที่ปัจจุบันกรรมแต่มีข้อแม้ว่าสาหรับปัจฉิมภวิกาัตร คือสัตว์ที่เกิดขึ้นในภพชาติสุดท้ายที่ไม่ต้องบา ร, รมีประเภทที่เรียกว่านิยตะคือเที่ยงแท้นั้นก็เป็นผลของอดีตกรรมโดยตรงประเภทที่เราเรียกว่าดอกบัวพ้นน้ำนะฮะคือแตะนิดเดียก็บานแล้วถูกราทิตนนิดเดียก็บานแล้วแต่บางคนก็ทั้งสองอย่างแต่ส่วนมากแล้วทั้งสองอย่างในที่นี้ท่านก็ย้อนอดีตออกไปว่า จนท้าที่มีในใจในกุศลในสมัยนานพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าอัตถทัศสีนี่มันต้องนับไปตั้งเท่าไรนะร้อยสิบแกับละมั้งยาวยาวเลยเกินน่ท่านเกิดความยินดีในกุศลธรรมก็เน้นไปที่ทานก็แบบชาวพุทธทั่วไปว่าชาวพุทธนั้นที่ถนัดถนีมากที่สุดก็คือทําทาน แต่ถ้าชวนรับศีลก็จำนวนลดน้อยลงไปอาจจะรับเสร็จแล้วก็ไม่ถือพอจังขึ้นฟังเทศคนก็ลดลงไปอีกพอนั่งสมาธิคนก็ลดลงไปอีกแล้วก็กลายเป็นยอดแดมอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะาการทวนกระแสของกิเลส ข, ขึ้นมาแต่ละจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การให้ทานนั้นปกติคนก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ายอยู่แล้วแล้วก็ให้ทานแนวพูดมันก็สนุกดีนะกินเลี้ยงคือกินเลี้ยงกันเพียงแต่ว่าเอามาถวายพระแล้วก็ถือแบบครั้งๆได้ด้วยนะพวกลูกศิษย์อาจารย์กรรมฐานอาจารย์กรรมฐานกินลก็เรียกว่าอาหารเจือกันมิสกาหาเรนะอาหารที่เจือกัน ล, ลูกศิษย์ก็เอาไปกินกันโดยถือว่าขลังถึงน่าจะคิดถึงเชื้อโรคมากเหมือนกัน แต่ว่าคิดไปถือขลังไปพราะนั้น ก, ก็เราก็มีก็มีแนวที่เป็นไสยศาสตร์ด้วยแนวพุทธศาสตร์ด้วยคือแนวไสยศาสตร์นั้นก็คือว่าเราเห็นว่าอาหารเนี่ยพระเสกแล้วก็ขลังแล้วก็ก่อให้เกิดขวัญกาลังใจยิ่งเสพอาหารพระกรรมาฐานทงางภาคอีสานแล้วก็อุตรุดกันใหญ่รู้ชีกกแบ่งกันก็ไม่แน่มันติดเชื่อโรคอาจารย์มาบ้างกันด้ทีนี้ประการที่สองก็คือว่าพระฉันไปแล้วเราก็ได้เลี้ยงกัน เองกนันก็สังสนทนากันได้พบปะกันเจ็ดวันครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นกิจกรรมที่บรรยากาศแบบไทยๆอ่ะทานจึงจึงไม่ค่อยน่ากลัวเลยเมืองไทยเมื่ก่อนนี้มีโยมคนหนึ่งว่าเป็นห่วงว่าพระจะไม่มีอาหารฉันบอกว่าถ้าแถวเกาะรัตนโกสิลป์แล้วก็อาจจะน่าห่วงแต่เลยเกาะรัตนโกศิลป์ไปแล้วว่าเป็นห่วงว่าพระจะถื อ, อยังไงคือเอาเด็กมาหิ้วกระป๋องสองคนแล้วยังไม่ไหวนะ บว่าคนชอบทำบุญในด้านนี้เนื่องจากทวนกระแสกิเลสไม่หนักเกินไปแต่บอกถึงศีลมันทวนมากเกินไปคือเอาไม่ค่อยอยู่เร า, า จ, จะงดเว้นปาณาติบาตจะงดเว้นมุสาไม่ค่อยได้บางคนก็ขอรับเฉพาะสี่ข้อข้อสุราเว้นไว้ก่อนบางคนก็รักษาไว้เฉพาะข้อหนึ่งอาจจะเป็นข้ออาทินนาหรือข้อกามเมข้ออะไรต่ออะไรเนี่ย กาเรียกว่าให้มันได้สักห้ข้ อ, อนี่ยากเนื่องจากจทวนกระแสสูงเพราะนท่านผู้นี้ถึงถ้าไม่ได้บอกชื่อนะฮะว่าชื่ อ, อยังไงก็เป็นการล่าลากไปจากเขตแล้วก็ไปบานที่ปลายไปลิบไปเลยท่านก็ยินดีในการให้ทานให้ทานกันมาโดยลําดับแล้วก็บําเพ็ญระดับทานนี่ยนะมากเพราะนจึงจึงรู้สึกชาเลยกัน ท่านตั้งเห็นท่านตั้งหลายเห็นว่าประวัติบุคคลอื่นที่เคยเล่ามาแล้วมันอยู่สมัยพระเจ้าปฐุมมุตตะท่านนั่นเองก็ห่างกันลิบโลกเลยแต่องค์นี้ท่านอยู่ระดับทานท่านไม่ขยับขึ้นไปไหนคนอื่นก็ขึ้นไปเป็นบวชเป็นรุสีนะฮะอย่างพวกที่เล่า ว, วันก่อนจะเห็นว่าออกบุตรควาเป็นเพียรได้ชาญเลยเพราะว่าในกองทุนมันสูงกว่ากองทุนมันสูงกว่าจึงเป็นเศรษฐีได้เร็วกว่าคือบรรลกมรรคผลได้เร็วกว่าแต่ท่านนี่ก็ตายอยู่ระดับทาน ประวัตินีนบอกมาอยู่ระดับทานเป็นหลักช่วงระยะเวลาการสร้างสมบรรมีคือขัดเกลากิเลสมันถ่างกันนี่ให้ลองสังเกตไว้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าตายอยู่ระดับทานมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มัขาขจัดสายโลภะแต่โทสะโมหะโทวสะโมหะยังไม่ค่อยจางนะครับกิเลสตัวใหญ่ก็คือกิเลสตัวโมหะเมื่อโมหะแกไม่จางบางทีให้ทานไปแล้วก็อธิษฐานจะหยดย้อยเลยจะเอานั้นจะเอานี้ ลงทุนทีก็เกินเกินทุนที่ลงไปที่เคยเล่าว่าวันก่อนสลากกินแบ่งออกนี่ไปเถอะพระบินทบาทนี่เสียวหลังมุกบุบโยมาที่ฐานจังเลยอ่ะรั่วที่ฐานว่าอย่างไงมานคือคงเี่ยวขอหวยนะฮะมันจะขอถูกหวยแต่ว่าให้ข้าวขันเดียวนั้นเองกับปลาทูตัวนึงไข่เค็มใบอะไรแต่นี่กล้วยไข่สองผลก็ให้ไปแล้วก็ลงทุนจะเอารางวัลต้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ก็คือ มันมันมัน <c oughs> โมหะยังไม่ยังไม่จางมากาท่านติกลดเพราะช่วงระยะเวลาจึงห่างห่างผิดกับองค์อื่นไม่ไม่ค่อยเจอนะฮะที่บําเพ็ญบา ร, รมีระดับพระอัฏฐทัศนีนี่ไกลกันส่วนมากพระอาหารหันต์อย่างที่เคยเล่าท่านทั้งหลายฟังว่าระดับพระอาหารหันต์ทั่วไปเนี่ยบำเพ็ญบา ร, รมีแสนอสงไขยอันหนึ่งอสงไ ข, ย, งขยกับแสนกัน พระปเจกัพุทธเจ้าสองสาศงขัยแสนการพระพุทธเจ้าสี่อางขัยแสนการพระพุทธเจ้าเราเป็นประเภทปัญญาทิกะนะฮะพรพุทธเจ้านี้บำเพ็ญบา ร, รมีอยู่สี่ระดับสมระดับระดับวิริยาธิกะใช้ทลายสาิบหกอสศงขัยไม่ใช่สทัทธาธิกะใช้สิบหกอาศงขัยคือใช้สัทธาเป็นหลักวิริยาธิกะใช้แปดอาศงขัยพระพุทธเจ้าเราปัญญาทิกะเพราะฉนั้นบำเพ็ญบา ร, รมีจงึจงเร็วกว่าเพื่อนตั้ง ถ้าหลากี่เท่าสาสี่เท่า5เท่าสี่เท่าทีนี้ท่านผู้นี้ประวัติช่วงหลังนั้นบอกว่ามีชั้นท้ามีในใจคือหมายความว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสทําบุญถ้าก็ทําบุญแต่ก็ทําบุญระดับทานไปอ่ะทำบุญระดับทานดังนั้นจึงไต่อันดับอยู่นานแต่ก็สะสมบารมีหนักแน่นมากนะสะสมบารมีหนักแน่นมากก็เรื่องทานอย่างเดียวพอ ไอ้ความโลภ um, มัน pues ก็จางลงไปจางลงไปซึ่งหมายความว่าความโลภจางไอ้ความโกรธความหลงก็จางตามจ้างก็ให้ทานสร้างสะสมไว้ในภพชาติต่างๆไอ้การสะสมในลักษณะนี้เราไม่ต้องไปดูภพชาติภพชาติมันไกลไปก็ดูว่าเราสะสมตั้งแต่ตอนเด็กๆะสะสมความดีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆมีความคุ้นเคยกับความอดทนความเมตตาความเสียสละแล้วมันกล้าแข็งบารมีมันกล้าแข็งขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ว่ากล้าแข็งทั้งสองด้านนะฮะทั้งกุศลาธรรมาทั้งอกุศลาธรรมาอะไรมันกล้าแข็งได้ทั้งสองด้านพวกไอ้พวกที่รักเลขข็กขโมยน้อยที่มันเป็นโจรปร้นทีหลังจริงจรงมันเริ่มจากรักเลขข็กขโมยน้อยมาก่อนนั่นก็แสดงว่าสะสมในด้านบาปด้านางกุศลมันก็ทําให้จิตใจแข็งแกร่งเยี่ยมเกรียมขึ้นมาด้วยอํานาจกุศลแล้วด้วยอำนาจของอกุศลที่มึงที่นี้พวกสะสมบุ ญ, บ, ญบุญกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจิตใจมันแข็งแกร่งด้วยอํานาจของกุศล จะไม่โยกคลอนหวั่นไหวไปด้วยแรงของอากุศลแม้คนเหล่านี้จะตกอยู่ในสถานที่กลุ่มบุคคลที่น่าจะรักษาตัวไม่รอดแต่เขารักษาตัวเขารอดคือเพื่อนจะดึงเข้าสมาคมให้เมาเหล้าไปเล่นการพานันไปเที่ยวอะไรต่ออะไรนี่เขาจะไม่ไปเพราะภูมิใจเขาแข็งแต่ว่าแข็งได้ทั้งสองด้านนะฮะหมายความว่าไอ้พวกพวกที่จิตแข็งมาด้วยอกุศลมาอยู่หมู่บัณฑิตบางทีก็กูดไม่ออกเหมือนกัน นี่ก็ลักษณะสะสมได้ทั้งสองด้านไม่ใช่ว่าสะสมได้ด้านใดด้านหนึ่งอาการสะสมเหล่านี้ท่านจึงเรียกสรุปรวมออกเป็นสองฝ่ายว่าสะสมที่เป็นอาสวะจะเรียกให้มันต่างกันสะสมมากุศลเรียกว่าอาสวะมันลักษณะเหมือนกับผักดองเครื่องดองอาสวะแปลว่าของดองนะฮะเครื่องดองทั้งหลายก็แล้วแต่จะดองอะไรแต่ ส, สรุปว่ามันก็ห ม, มักหมดดูไม่น่าดูไม่น่าชมบารมีมันก็ที่จริงมันก็สะสม แต่สมเหมือนกันความดีนันก็สะสมเหมือนกันแต่ก็เก็บดีเก็บถูกเก็บชอบนะฮะเก็บชั่วเก็บเร็วก็เก็บถูกเก็บชอบก็กลายเป็นตั้งสองด้านแล้วก็แข็งแต่งด้วยกันทั้งสองด้านปัญหาวา่ากำลังแก่สูงทั้งสองด้านก็ยุ่งเหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วยังได้ยังหนึ่งจะสูงกว่าอยู่เสมอแล้วก็โดยเฉลี่ยก็ความชั่วสูงกว่า จะทำให้พฤติกรรมของบุคคลแสดงออกมาด้วยแรงดันส่วนภายในใจที่ท่านแสดงไว้ว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่คนดีทําได้ยากนั้นแสดงว่าจิตใจแข็งแกร่งในด้านชั่วแต่ความดีคนดีทําได้ง่ายคนชั่วทําได้ยากนั้นแสดงว่าจิตใจมันก็แข็งแกร่งในด้านดีก็แข็งด้วยกันทีนี้ประการต่อไปก็คืออาสามเณรอาทิมุติเนี่ย ท่านตั้งหลายจะพบว่ามะเหมือนกับหลวงอหลวงนาหลวงนาหลวงนานั่งก็บวช ม, มือยุเจขวบเหมือนกันรมมองไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะมันจะเพราะลากกันมาหรือจะเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่แม้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเป็นสายเป็นสกุลเป็นการบวชสายเป็นสกูลเหมือนกันสมยัยพระพุทธเจนะ้าเนี่ยพระครูพุทธเจ้าหมดเกลี้ยงเลบวชเกลี้ยงเล ย, เ ย, เลยแต่กูลก็ภาษาที่บวชเกลี้ยงเลยนอกจากแม่กับพ่อ แต่เป็นพระยาบุคคลหมดพ่อไม่ปรากฏชัดนะฮะพ่อยังไม่เคยพบว่าตายแล้อย่างแต่ว่านางสารีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วลูกสาวสามคนลูกชายสี่คนหลานชายสองคนเป็นอาณาจักรหมดเลยเป็นพระอาณาจักรหมดเลยมันก็นลากกันมาอย่างเงี้ยนะฮะการลากกันหรือว่านัดมาเกิดด้วยงไงก็ตามนะคือสรุปกรรมมันจําแนกมาที่จะให้ได้อาเสวนาปัจจัยคือการช่องเสพการพ้อหากับคนที่เป็นบัณฑิต มันก็ข้าวแนวของมงคลวสุนะฮะปฏิรูประเทศวะโสจะคืออยู่ในท้องถิ่นสถานที่ที่สมควรมันมันมีลักษณะเกื้อกูลเรว่องนาาของปุเพกตะปุญญตาคือบุญที่ทําไว้ในการก่อนทําให้ได้ครบบัณฑิตเมื่อครบบัณฑิตก็อัตตสัมมาปณิทิคือตั้งตนไม่ชอบเพราะงั้นก็เดินมงคลบันไดสามได้คือบูสัจันยติปัญจะนั้นก็สอดคล้องกันทั้งหมดดังนั้นสามเณรทิมุติพออายุเจ็ดขวบใจมันก็น้อมเยียงข้าหาวัดแล้ว เมือนภาษาังกฤษภาษสังกฤษนั้นท่านคิดสลดใจท่านตัวขึ้นมาก็ยายเป็นคนเลี้ยงแล้วก็ยายก็เล่าให้ฟังถึงแม่ที่ ท, ท, ท, ที่ที่ตายไปก่อนในท่านจะคลอดท่านก็เกิดสลดใจตัวเองเถอเอ้เราเกิดมายังไงแม่ก็ยังไม่เห็นแล้วไม่นำไปตายอยู่ในท้องแม่ด้วยนี่รอดมาได้มันก็บุญแล้วก็อย่ายอยู่เลยในโลกมนุษย์เนี่ยไปบวชดีกว่าแล้วท่านก็บวชแต่ชินใจบวชตามในหนาทิมุตนั้น ก็ไม่บอกเด่นชัดแต่มาความประทับใจในหลวงนาเราชอบใจในหลวงนาท่านท่านก็บวชตามตามหลวงนาไปบวชแล้วก็ไม่กี่วั น, นแสดงว่าบ่มบา ร, รมีมาแยะนะมาก็นานอ่ะท่านท่านบ่มบา ร, รมีมานานในสุดก็บรรลุอรหัตก็ดูดูใกล้ๆการทำเนียมไทยไปเรื่องนี้ดูแล้วก็มันเล่าอะไรไว้ละเอียดคือถึงคราวจะอุปสมบทแทนที่จะอุปสมบทไปก็ให้ไปบอกแม่เดีก่อน ไปบอกแม่ก็บอกญาติโยมคล้ายกับไทยเราเอามาเนี่ยถ้าเราดูให้ดีแล้วว่าขั้นบรรมเนียมไทยนะฮะที่เรามาใช้นี่ดึงมาจากพระใบิดกนะแต่ดึงมาวางมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลยเราดูตรงนั้นดึงมาตรงนั้นดึงนั้นดึ ง, ด ง, ดงออกมาจากตรงนั้นแม้แสดงตัวเป็นพุทธมามากะพุทธมามิกาก็อยู่ในภาะใบิดกทีนี้คนฉลาดคนไทยนี่ฉลาดมากว่า เ, เราสามารถที่จะดึงเอาอะไร อย่างคุณสมัครเขากล่าวที่เมื่ออะไรสัปดาหส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยคือพูดแบบคนนอกวัดอ่ะเขบอกธรรมะมีตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ว่าคนไทยในฉลาดมากคือเอามาใช้ห้าข้อพอแล้วคือเอามาหข้อนั้นเอาศีลห้ามาก็แก้ปัญหาสังคมได้คือประรอถึงตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านไปทําหน้าที่ตัดสินที่ศาลอะไรที่ที่ฝังทวน่ะ คือปกติธ ร, รมเนียมสาเนี่ยในหลวงจะต้องเป็นประธานเวลาเปิดสารในประธานเนี่ยเป็นประธานในคดีแรกแล้วก็จะเลือกคดีที่มันอาภัยได้อะให้ตัดสินก็มีคดีหนึ่งว่าเอาผู้หญิงมาจากสกลนครอะแกคนขโมยโทรทัศน์แล้วเอาไปไว้ในที่โรงพักโรงงานอะที่ที่สามีแกอยู่ในห้องแกตำรวจมาถามแกบอกแกไม่รู้แกไม่เห็น พอตำรวจจับก็ปรากฏกระของอยู่ในห้องแกก็เอาแกไปในที่สุดก็เขาให้สมเด็จพระนางเจ้านตัดสินแค่นีน้เนี่ยคุณประธานดวงรัฐเป็นอะไรเป็นทนายก็ตัดสินแล้วสมเด็จท่านก็ตัดสินตามตามนั้นนะแต่ว่าเพ้นควรลงอาญารอลงอาญาไว้หนึ่งปีแล้วก็รับสั่งถามว่ารู้หรือเปล่าวันนี้วันผิดอ่ะแกบอกไม่รู้ ไม่รู้เรื่องอ่ะคนสุดท้ายไม่รู้เรื่องหมดพอหักไปถามอีกทีหนึ่งว่าอยู่สกลนครรู้จักหลวงปู่ฟันหรเปลอรู้จักหลวงปู่ฟันสอนยังไงแกก็อธิบายได้นะสีหนแกบอกได้แต่กฎหมายเนี่แกไม่รู้เรื่องเลยก็ทําให้พวกนี้ยพวกข้าราชการผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นได้คิดว่าเนี่ยถ้าเราศีลเนี่ยเข้ามาสอ น, นแทนที่จะสอนกฎหมายสมเด็จพระนางเจ้าททศสังวร น, นี้เราออกกฎหมายมาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วราษฎรเราไม่รู้กฎหมายแล้วในที่สุดก็ใช้ปัญญา กฎหมายอเอไปลงโทษราษฎรมันน่าจะหาวิธีทํำยังไงมาให้ราษฎรรู้ว่าอันนี้มันผิดกฎหมายมันถูกกฎหมายวันนี้ก็เลยเกิดคิดขึ้นมาเนี่ยก็รวมกันคิดก็ออกมาเป็นศีห้านี่ว่าถ้าเราแก้ด้วยศีห้าได้ไ่ต้องพูดเรื่องกฎหมายก็ได้นะฮะสอนเรื่องศีห้ได้เลยเดีย๋ยวมันคุมเองมันรู้เองแต่อย่าลืมว่าไอ้พวกอย่างนี้เขาเรียกว่ารักซ่อนนะฮะรับของโจรสมโจรมันอยู่ในอนาทินนาธาเน่ย กฎหมายอาญาเนี่ที่จริงถ้าพูดถึงว่าเราจะไม่ต้องไปรู้กฎหมายอาญาเลยแต่เราเข้าใจศี่ห้าข้อกฎหมายอาญาเราปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยกฎหมายแพ่งนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะบางเรื่องมันก็ปีกย่อยออกไปแต่กฎหมายอาญาเราทําได้นี่ก็เป็นการเป็นการสรุปสรุปไว้เลยว่าธรรมาใน8ป0 0 0พันพระธรรมขันธ์ที่จริงมันก็เกี่ยวยงอยู่กับศี่ห้าสี่ห้าเราถือว่าเป็นฐานทั้งหมดเลยแต่ก็จริงก็ฐานัางที่พังนะครับมันก็รักษาไมไก็ได้ บางทีรับนิตยศีลนิตยศีลประอกลับบ้านก็ก็รักษาไม่ครบใช่แล้วนี่จึงจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าในชั้นการปฏิบัติระดับศีลเราเอาก็จริงเราแก้ปัญหาไม่ค่อยได้เพราะเรารักษาไม่ค่อยได้พระสังกิตสามันเดชอาทิมุตนั้นเราจะจะเห็นว่า เมื่อฟังธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะไปก็บรรลุมรคผลซึ่งก็หมายความว่ามันมองภาพรวมใหญ่ๆแล้วก็สรุปนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพอเราสรุปแล้วก็เหมือนกับที่อะไรที่ดวงตาเห็นธรรมที่พูดว่าดวงตาเห็นธรรมคือท่านที่เป็นพระโสดาบันนะฮะดวงตาเห็นธรรมท่านสรุปลงบรรทัดเดียวสรุปธรรมะแปดหมพันระธรรมขันลงบรรทัดเดียวเท่านั้นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นสรุปแล้วหมดแล้ว หมดแล้วจะอะไรก็ตามนะฮะสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดด้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาไอ้สิ่งที่สร้างปัญหาหแก่เราก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปยึดไปถือให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้ขออย่าให้มีความเปลี่ยนแปลงให้อยู่กับเราตลอดไปอลไรแต่ไหนที่จริงแต่เราเตรียมรับเอเตรียมใจรับอีกด้านหนึ่งนะฮะว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดับไปตามเหตุปัจจัย กิเลสมันเกิดขึ้นมาหรือว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาก็เพราะเหตุปัจจัยนิโรธมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะเหตุปัจจัยเพราะงั้นเราก็มองเห็นทั้งสองเหตุสองผลประสอนให้คนมองท่านเหล่านี้ท่านมองเห็นทั้งสองเหตุสองผลนะฮะเพราะทุกข์นั้นมันก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยคือสมุทัยนิโรธเองก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยคือมรเพราะงั้นตั้งกปฏิบัติตามอริยมรเพื่อละสมุทัยนะเพื่อให้เพื่อสร้างนิโรธให้เกิดขึ้นนิโรธก็ทําหน้าที่ขจัดสมุทัยความทุกข์ก็ดับตามไป สรุปแล้วท่านนั้นเองแต่ระดับศีลธรรมจัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยสรุปรวมเป็นเป็นเป็นศีลห้าก็พอแล้วแต่เราปฏิบัติกันได้จริงๆเราก็แก้ปัญหาอะไรได้เป็นนั้นมากทีนี้ต่อมาเมื่อจนจับเนี่ยไอจิตใจของคนท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่เราเรียกพิรุษนะฮะพิรุษหมายความมีเรื่องให้เราพิรุษถ้าไม่มีเรื่องใหเราพิรุษเราก็ไม่พิรุษ บาลีใช้คำอีกคำหนึ่งว่าวิปฏิสานคือเดือดร้อนใจเดือดร้อนใจเช่นสมมติว่ามีตำรวจโผล่มาอย่างนี้ฮะเรามานักปฏิบัติธรรมเราไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่คนบางคนมันก็มีพิรุธก็แสดงอาการหวาดกลัวขึ้นมาทีนี้ภายในใจคนก็เหมือนกันนะถ้ายังมีความอะไรอะไรอยู่ในกายคือเรียกมีกิเลสเป็นเหตุให้อะไร มันก็แสดงความกลัวมาแต่ถ้าท่านพระอรหันต์นั้นท่านปล่อยวางภาระหมดแล้วอ่ะปล่อยวางภาระหมดแล้วร่างกายจะแตกดับก็แตกดับท่านไม่เร่งความแตกดับหรอกเพราะว่าเร่งความแตกดับมันเป็นวิภาวะตันหาท่านไม่มีวิภาวะตันหาท่านก็ไม่เร่งความแตกดับแต่เมื่อถึงท่าวจะแตกดับท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะความแตกดับไม่ถูกโยครอนหวนั่นไหวจะแตกดับเพราะอะไรก็ก็คือกันน่ะ ทีนี้บางครั้งนั้นที่ท่านไม่ไม่ไม่ยอมอย่างที่พระโมคคัลลานะท่านหลบไปแค่สองครั้งนั้นคือท่านท่านสงสารพวกนี้จะเป็นบาปท่านเพราะทําแล้วมันก็เป็นบาปอย่างที่พระพุทธเจ้าบางอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงคือไม่ใช่ไม่ทรงแสดงเพราะพระองค์ไม่รู้แต่แสดงว่าถ้าแสดงไปแล้วกลัวคนจะเป็นบาปจะมาเรื่องเปรตเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยตอนต้นๆไม่ได้แสดงเลยนะไม่ได้พูดเล เรื่องสวรรค์พูดบ้างนะฮะในอนุบุพีกถาแต่เรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอสุรกายนี้ไม่พูดนะไปพูดเมื่อพระโมคคัลลานะไปพบเห็นข้าวนํามากล่าวขึ้นในที่ประชุมพระเจ้าก็รับสั่งว่าเรื่องนี้เราก็เห็นวันแตสรู้ก็ดูมาแล้วพบมาแล้วแต่ว่าที่เราไม่พูดนั้นเพราะเอ็ น, อนดูเมตตาส ง, สงสารสัตว์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้นั้นจะมีอยู่สองฝ่ายตลอด คือฝ่ายหนึ่งเชื่อฝ่ายหนึ่งเชื่อฝ่ายหนึ่งจะโจมตีกล่าวหาว่าบิดเบือนโกหกซึ่งหมายความว่าสร้างคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทําบาปเหมือนกันช่วยคนกลุ่มหนึ่งจริงเพื่อมาทําบุญเนี่ยแต่ว่าสร้างคนกลุ่มหนึ่งให้ทําบาปขึ้นมาจะหลบเรื่องประเด็นเหล่านี้ไม่จําเป็นก็ไม่พูดเราจะเห็นว่าเวลานี้แม้ในหมู่ชาวพุทธเราเองลองพูดเรื่องนรกสวรรค์แล้วจะมีคนสะกิดกันยิ่งยาก ย, กยากิยกยก่อคอยค้านเนี่ยนะ เพอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยนะฮะคือมันเราคิดเอาไม่ได้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้รู้ด้วยท่านคิดแต่ว่ารู้ด้วยการประจักษ์แจ้งด้วยประหยัดเพราะงั้นเมื่อถึงคราวจะแสดงก็แสดงถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่แสดงทีนี้ที่จริงพระสังกฤษก็เคยถูกจับเทีงแล้วนะฮะไอ้จับเนี่ยจับเออเยอะไปโจนจับพระ จัพระจับภิกษุณีจับจับนางสิกขามานาเยอะถ้าเรานี่ถ้าพูดถึง เ, เรามองคล้ายๆกบับบรรยากาศเนี่ยอย่างเดือนนี้มีหลายหลายคนนะฮะเดือนนี้แปลกคือมีผู้หญิงมาต่อว่าเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ให้มีภิกษุณีคือคือต้องอธิบายก็ฟังว่าไม่ใช่ไม่ให้มีนะฮะมันมีแล้วความเป็นผู้หญิงนั่นเองแต่ทําอันตรายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสื่อนําอันตรายมาสู่มาสู่ตัวของผู้หญิงนั่นเอง อสกษุนีที่ต้องมีศีลมากนั้นไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้หญิงแล้วก็รังแกผู้หญิงคนสํานวนปัจจุบันก็ใช่ไหนนะข่มขีทางเพศไม่มีหรอคะคือเราความเป็นผู้หญิงนะเดงสร้างปัญหาขึ้นมาเองเช่นว่าเดินไปคนเดียวก็ไม่ได้ข้ามเรือคนเดียวก็ไม่ได้อยู่ในป่าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สารพัดเพราะความเป็นผู้หญิงแต่นั้นนี่วินัยที่มันเกิดขึ้นมากมายก่ายกองเพราะความเป็นผู้หญิงการสืบต่อมาไม่ได้ก็เพราะความเป็นผู้หญิง มีปัญหาไปสารพัดปัญหาเรื่องที่อยู่ปัญหาการขบชั้นปัญหาการเดินทางสารพัดเรื่องเลยนะแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องบวชหรอกั่งใจปร ะ, ประพฤติปฏิบัติไปก็สามารถบรรลุพรรผลได้เหมือนกันแหละไ ม, ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องบวชหรือไม่บวชแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กีดกันนะฮะได้เข้าใจว่าไม่ได้กีดกันแต่เพราะเพศนั้นเป็นอุปสรรคเสียเอง แล้วก็เป็นสื่อนําอันตรายมาหาตัวเองอย่างที่เราพบเห็นกันในปัจจุบันนะครทีนี้พระเราเองอย่าถูกจับนะฮะอย่างเนี้ยองค์นี้ก็ถูกจับอีกอะถูกจับแล้วเอาไปฆ่าจะาบูชายันน่ะบูชาเจ้าแม่อะไรนะอุมาเลยมั้งมาธุราคาเนี่ยรู้สึกว่าพวกแขกเขาจะอุมาธุราคามา น, านั้นแต่ว่าท่านอาทิมุตินั้นท่านปรงปรงสังขารแล้วคือหมายความว่าไม่ยินดียินได้นะ่ะ ไม่มีทั้งยินดีไม่มีทั้งยินร้ายเพราะกิเลสเป็นเหตุที่เป็นเหตุให้สะดุ้งนั้นไม่มีอย่างที่บอกเนี่ยว่าถ้าเราไม่มีพิรุธอะไรเราก็เราไม่ไปลักไปขโมยใครเข้ามาจับโจมอะไรเราก็มีพิรุธอะไรนั้นก็ดูตัวอย่างง่ายๆว่าคนเราบางเรื่องมีเยอะที่เราไม่หวั่นไหวอะไรนั่งขับรถไปตำรวจตั้งด่านสรวจคนคนอื่นอาจจะตื่นเต้นแต่เราก็เฉยๆ เ, เราไม่มีปัญหาอะไรนะระวังยายเพื่อนแอบเอาเฮโรอีนซุกมาท้ายรถก็แล้วกัน แต่ถ้าสมับเราเองเราก็ไม่มีปัญหานี่ก็คือว่าส่วนหนึ่งเราสังเกตรเราได้นะส่วนหนึ่งในสังเกตได้ว่าเราไม่หวั่นไหวอะไรใดมีอันตรายต่างๆจิตใจเราสงบ ม, มองเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปได้ทีนี้พอมาถึงพระอาหารหันต์กิเลสท่านหมดหมดเรี่ยงเลยเนะี่ยท่านก็ไม่หวั่นไหวถ้ามาหวั่นไหวก็ลองสังเกตว่าโจรก็กลัวเหมือนกันนะแล้วมันจะเฉพาะเรื่องนี้เรื่อง พระสมุทธรเทระเรื่องสังกิจจาสามเนรหลายเรื่องฮะพระถูกจับเติดนั่นก็ไม่หวั่นไหวเลยโจรก็กลัวแทนที่จะฆ่าก็เห็นแปลกปริยาที่แปลกเนี่ยสร้างความทึ่งความทึ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนความคิดคลาๆกับโจรองค์ุลิมาเห็นพระพุทธเจ้าไม่วิ่งหนีนะฮะคนอื่นแกวิ่งหนีทุกคนนะพบเจอพระพุทธเจ้าไม่วิ่งหนีแกก็ทึ่งเลยตกใจ ไอจิตใจมันก็เปลี่ยนจากความเขยมเกรียมที่จะต้องฆ่าจะต้องทำลายกลายเป็นความเจงหนสนเทศอยากรู้อยากเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะงั้นโจมตรงนี้ก็เหมือนกันพอเห็นพระเถระนั่งเฉยเฉยหน้าตาก็ผ่องใสไม่แสดงอาการหวาดกลัวอะไรแววตาก็ไม่ได้มีการตกใจแต่ประการใดแกก็ถามเป็นใจความว่าพวกแกนันวกก็ฆ่าคนมาเยอะแล้ว คนอื่นเนี่ยเขาร้องให้หวาดกลัวขอชีวิตอ้อนวอนสารพัดเลยแต่ท่านทําไมนั่งเฉยๆก็เท่าก็แสดงความจริงให้ฟัง ค, ความจริงในกรณีนี้ก็คือคุณลักษณะของพระอาหารหันต์เป็นการเชี่เห็นว่าไอ้กิเลสเป็นเหตุให้สะดุ้งไม่มีนะฮะคนก็ไม่มีแต่กิเลสเป็นเหตุให้ไม่สะดุ้งนะั้นมันมีหลายอย่างนะฮะ <c oughs> บางคนไม่สะดุ้งเพราะมานะอย่างทหารเนี่ยเขาไม่สะดุง้งแต่เขาไม่สะดุ้งเพราะมานะ หมายความว่าเราก็หนึ่งเหมือนกันเรามันชายชาตทหารไทยเหมือนกันคือรบยังไงก็รบกันยิงทหารไทยแล้วไม่สะดุง้งนะอ่ะนะพวกอเมริกาเรียกว่าทหารผีญี่ปุ่นก็เรียกว่าทหารผีนีะ่ยิงล้มลงไปแล้วลุกลุกขึ้นยิงต่อเลยนี่นี่คือมันเกิดมานะว่าเรามันชาชาตทหารไทยร้องเพลงงึมเงปลุกระดมอยู่ด้วยบรรกดไว้ด้วยมานะคือความถือเชื่อมั่นตัวเองเลยแต่คนที่ไม่สะดุง้งจริ ง, รงๆนั้นพระพเจ้าทรงแสดงชั้นสูงสุดคือพระอรหันต เพราะกิเลสเป็นเหตุให้ไม่สะดุง้งไม่มีพวกสัตว์อาชาในคนอาชาในเนี่คือคนที่ฝึกปรือมาชั้นยอดเนี่ยเขไม่สะดุ้งเหมือนกันแล้วคนที่ระดับลดหลั่นลงมาเช่นท่านที่บริปฏิบัติในด้านจิตใจเข้าใจถึงสภาพชีวิต ท, ที่จะต้องแตกลับไปเป็นธรรมดาเวลาตายก็ไม่สะดุ้งอะไรไปเชิญหน้ากับอันตรายต่างๆจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเราแสดงว่าถ้าฝึกปรือมาแล้วไม่ใช่พระอาทิมุตองค์เดียวหรอกคนอื่นก็ไม่สะดุ้งเหมือนกัน แต่ไม่สะดุ้งในระดับระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ระดับเีอกอาจารย์ท่าน <c oughs> บางทีก็ไม่สะดุ้งเพราะมันมันมีลักษณะอย่างหนึ่งอนะ่ะท่านทั้งหลายจะสังเกตว่ามีจุดอย่างหนึ่งคือพระอาหารหันต์กับคนบ้าเนี่ยได้รับยกเวน้นไม่ปรับอาบัติพระอาหันต์นั้นสูงสุดคนบ้านั้นต่ําสุดมันอยู่จุดต่ําสุดนี่ไม่สะดุ้งเหมือนกันนะฮะคนบ้าอะไรแต่ไรนแกไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแกก็ไม่สะดุ้งเหมือนกันนั้นคือจุดต่ําสุด จุดมืดบอดไม่สะดุ้งเหมือนกันนะจุดสว่างเต็มที่ไม่สะดุ้งได้เหมือนกันพระธิมุตินั้นท่านไม่สะดุ้งเพราะถึงจุดสุดยอดและในที่ถุดตั้งก็แสดงคุณลักษณะของปาราหารันถึงว่าไอ้ตันหาเป็นเครื่องเกี่ยวเกาะในพบทั้งหลายหรือตันหาเป็นเครื่องนําไปสู่พบนําไปสู่ความสะดุง้งนําไปสู่ความหวาดวันนะฮะมันต้องมีความรู้สึกว่าของเราเป็นเราเป็ น, ปนตัวเป็นตนของเราอยู่ ใจสะดุ้งให้ลองสังเกตนะฮะเราจะต้องรู้สึกว่าของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่สมมติเราไฟไหม้ตรงนั heart, ้นบ้านเราอยู่ตรงนั้นของเราเกิดของเราเกิดใจเราสะดุ้งถ้าไฟไหม้ตรงนี้แต่บ้านเราอยู่สุขุมบิทเราไม่สะดุ้งเพราะอะไรเพราะของเราไม่มีในนะนั่นคือลักษณะที่เราเห็นได้หมดเลยนะพวกอิรักอิรานยิงกันโครมๆความรู้สึกของเราไม่มีเราก็ไม่สะดุ้งอะไรเลฟังข่าวเลยนึกสมเพศอะไรพวกนี้มันเรื่องอะไรนะมารบกันเรื่อยทุกวันทุกวัน กล้ากันจะได้อย่างนี้ก็แค่สงสารนเห็นไะนี่คือสรุปตัวการจริงๆมันคือของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราถ้าตรงนี้เราสะดุ้งหมดเลยแต่ท่านเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ท่านก็ไม่สะดุง้งในชีวิตของเราเนี่เราก็สัมผัสได้เยอะแยะนะฮะทั้งสามระดับเนี่ย <c oughs> ทั้งทั้งทั้ง อะไรก็ตามที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราสิ่งนั้นจะแตกทําลายไปเสียหายไปเราไม่สะ ด, ดุ้งไม่เสียใจไม่เสียดายไม่โศกกระปริเทวทุกขโทมนัตอะไรแต่อะไรที่เราสวดมันไม่มีเองก็หมายความว่าคุณธรรมของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นระดับหนึ่งคนทั่วไปก็สัมผัสได้นะระดับหนึ่งที่ลดหลั่นกันลงมา ว่าใจใบเกาะด้วยอํานาจอุปาทานในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นจะไม่สร้างความบันไหวให้แก่เราอารมณ์ที่สร้างความบันไหวให้แก่เราก็สร้างความบันไหวเพราะรักเพราะจัง่งหรือเพราะของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราทีนี้ท่านก็แสดงคุณลักษณะทั้งหลายแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าความเกี่ยวเกาะในกายเนี่ย ในกายไม่มีแต่ไม่ใช่รังเกียจกายนะฮะอย่าลืมวาการปฏิบัติกรรมฐานระดับหนึ่งบางระดับมันจะรังเกียจกายตัวเองขยะแขยงกายตัวเองแล้วบนจนถึงเพียนเพียนจนฆ่าตัวเองก็มีพระในสมยัยพุทธกาลก็มีนะฆ่าตัวเองจ้างคนอื่นนะฆ่าตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ระดับนี้ระดับที่สูงขึ้นไปคือหมายความมาแตกดับก็แตกดับไปเป็นธรรมดา อย่างที่เคเล่าฟังถึงนางมารีกาเทวีพัญญาของท่านพันธุระเสนาบดีที่สามีตายท่านก็มองเหมือนกระถ้วยแตกเหมือนกระจานแตกสิ่งที่แตกไปแล้วสิ่งที่มีการแตกทําลายไปเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วก็ไม่รู้จะคิดทําไมเหมือนกระถ้วยแตกนะครับคนแตกก็เหมือนกระถ้วยแตกคนอ่าถ้วยแตกก็เหมือนกับคนตายนะเหมือนกันเป็นการแตกธรรมดาและรเราฟื้นคืนขึ้นมาไม่ได้ ถ้วยแตกเราก็กลับให้เป็นถ้วยดีไม่ได้คนตายจะกลับฟื้นคืนมาไม่ได้มันก็เรียนอย่างนั้นเน่ยเพราะงั้นนางมานิกาท่านมองเหมือนกับถ้วยแตกสามีตายทั้งก็ไม่เสียใจลูกตายก็ไม่เสียใจถ้วยแตกก็ไม่เสียใจเพราะมองเป็นอย่างเดียวกันอมองอย่างที่ว่านะเอวังธรมโมเอวังพาวีเอวังนาติโตสาําเนี่ยคาถาหนี้แขังมากภาวนาไว้ให้ได้แล้วก็สบายแต่ต้องให้เข้าถึงใจนะไม่ใช่ภาวนาไปภาวนามา ว่าญาติพี่น้องตายร้องไห้สามวันไม่หยุดนั้นก็แสดงว่าไม่ได้รับประโยชน์จริงๆแต่ในที่สุดท่านก็บอกว่าโจรต้องการทําอะไรให้ทําให้ทำไอ้ท่านท่นานใช้ก็ว่าจะทํากิจอะไรด้วยสรีระร่างกายของท่านนะก็ให้ทําเพราะสรีระนี้ท่านปรงแล้วท่านวางแล้วท่างคลายแล้วแต่ไม่ยึดติดเจ้าก็เอาไปโจรตกใจได้การตกใจลักษณะนี้ภาษาอังกฤษเขาก็ปล่อยนะครับ สังกิตก็ก็ปล่อยพระบางทีถูกถูกจับเป็นกลุ่มๆนะฮะถูกจับมาเป็นกลุ่มๆหลือจะฆ่าบูชายามั่งจะทับสารพัดฮะคือคือความเชื่อถือในสังคมอารยันยุคโบราณมันก็เหมือนกับสังคมอินเดียปัจจุบันนะฮะแต่อารยันโบราณไม่ใช่อินเดียนะฮะตนี้มันพวกผสมะะเอ่อท่านเหล่านั้นจะหลุดรอดไปเป็นพื้นนะฮะ เพราะไม่แสดงอาการหวาดระวงแต่บางองค์ที่ท่านไม่บรรลุมรรคผลท่านท่านอาจจะขอผัดผ่อนเช่นบางองค์จะขอผัดผ่อนจนไม่เชื่อกลัวท่านจะหนีท่านก็เอาก้อนอิดมาทุบขาท่านให้หักเลยทั้งสองข้างบอกว่านี่ฉันเดินไม่ได้แล้วฉันไม่เนี่ยแต่ขอเวลาทักเกตันขเวลาเจ็ดวันเพื่อจะเริญสมาธิทำปัญญาให้เกิดให้ให้ให้ได้มรรคผลให้ได้ยอมขนาดนั้นนะคนมีบารมีอ่ะคือสลาดจริงเลยทุบเลย ทบร่างกายให้ให้เขาเห็นว่าท่านจะไม่หนีแล้วก็ท่านกระปรองใจทำกรรมฐานทางความสงบได้แสดงว่าต้องข่มทุกขเวทนามากเหลือเกินนะไอ้ร่างกายที่ทุกตุกทุบนักแข็งอย่างนั้นก็ไม่ใช่สนุกนักแสดงถึงความแข็งแกร่งในด้านจิตใจของท่านว่าผลที่เกิดขึ้นในทางศาสนานั้นเป็นผลของความเพียรพยายามทั้งหมดความเพียรพยายามทั้งหมดอย่างเอาจริงกอาจังทั้งหมดพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกัน อนุพุทธะทั้งหลายพระอาหารหันต์ทั้งหลายทั้งก็เหมือนกันไม่มีการโดนบันดาลอะไรในพระพุทธาศาสนานอกจากการโดนบันดาลแห่งด้วยผลของกรรมนะฮะด้วยผลของกรรมที่เขากระทาไว้ในที่สุดโจรพวกนี้ก็กราวสอบถามถึงาศาสนานะก็ถามถามแบบนี้มันก็ถามทั่วไปนะเหมือนกับอุปกรารชีวกถามถามพระพุทธเจ้าเหมือนพระ อุปติสาวบริพาชกถามราชชิคือถามถึงใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครนะว่าท่านเป็นใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครคือสงสัยว่าคนเนี้มาจากไหนถามสืบสืบสาวไปอีกทีหนึ่งก็ลักษณะของการถามทั้งหลายแต่เมื่อท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานี่แสดงพุทธานุภาพนั้นเป็นเรื่องคุ้มครองได้นะฮะเพราะว่า ชื่อเสียงพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่ได้ยินกันของบุคคลทั่วไปไอ้ลือข่าวลือแบบนี้ตัดสราทุดังนี่ฮะว่าอีตีบีโซะพระกวาไม่เพราะอย่างนี้อย่างนี้นมันไปมันเรื่อยตลอดละทางแล้วคนก็บอกกันแล้วก็ว่ากันเป็นสโลกคือร่กันเป็นสโลกเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวนี่ถึงแม้จะไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยคนก็พอได้ยินก็รู้นะฮะว่าลูกศีล์พระพุทธเจ้าเมื่อโลกศีลดพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นเลื่อนสสองชั้น คือเรื่อมสายตัวลูกศิษย์อยู่แล้วแล้วพอมาถึงองศาสดาข้าวก็เกิดเรื่อมสายโจรก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเป็นการทิ้งอาวุธแต่ว่าคนเรามีบา ร, รมีไม่เหมือนกันชุดบางชุดนี่เขาออกบวทหมดแต่ชุดนี้ไม่หมดของพระสังกิจนี่ออกบทหมดชุดนี้ไม่หมดก็แตกต่างกันออกไปบางพวกก็สมาทานศีลบางพวกก็ไม่มีอะไรขอเลิอกอาชีพโจร น, นะฮะศีลก็ยังไม่กล้ารับหรอก แต่ขอเลิอกอาชีพโจรว่าตั้งแต่วันนี้ต้นเป็นต้นไปจะไม่เป็นโจรอีกแล้วก็ดีกว่าเป็นโจร น, นะฮะถึงแม้จะแกจะไม่รักษาศีลก็ตามพวกต่อมาก็รักษาศีลพวกต่อมาก็ออกบรรญชาบางคนก็บวชเป็นสามเณรไปเล ย, เยบวชเป็นพระสงฆ์ไปเลยแล้วก็บําเพ็ญเพียนสองพวกนี้ก็บรรลุมรกรุ่นไปนี่ก็เป็นการจําแนกไปตามอุปนิสัยปัจจัยของแต่ละท่านที่ ได้กระทำเอาไว้ในอดีตส่วนหนึ่งนะแล้วก็ผลจากความเพียรพยายามในปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งก็มองแล้วก็คล้ายๆกับพวกเราชาวพุทธในปัจจุบันนั่นแหละการเผยแผ่ธรรมะการแสดงธรรมะในรูปแบบต่างๆนั้นปรากฏแพร่หลายแต่คนจะแยกย้ายกันไปตามพื้นฐานทางบารมีธรรมว่าเขาจะรับเรื่องนี้ได้ขนาดไหนอย่างคนเข้าวัดนะฮะให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าคนเข้าวัดไม่ได้ทําเต็มรูปหมดทั้งหมด ยิ่งเวียนเทียน ย, น ย, นะยิงเห็นได้ชัดเลยนะฮะมาค่านี่เห็นได้ชัดเลยบางคนในไม่มาเฉย เ, เวียนก็ไม่เวียนนะแต่ถ้าเราถามมาดีมากก็ดีกว่าอยู่ข้างนอกนะดีกว่าอยู่ในวิกอย่างน้อยให้แกเห็นอะไรๆมันเย็นเย็นตาก็ยังดีนะคือไม่ต้องไปเล็งผลเลิอดอะไรกับกับคนเหล่านี้มากเกินไปแต่เราอย่าลืมว่ามันมีอะไรที่เลวกว่านี้แต่เขาไม่ทํานะฮะเขาก็ดีกว่าดีกว่าในยามปกติทีนี้คนบางกลุ่มนั้นก็อาจจะเวียนเทียนแล้วก็เดินคุยกันไป ก็ยังดีนะฮะยังดีแม้แต่ว่าไม่เคารพด้วยวาจาแต่กเคารพด้วยกายใจแกอาจจะคิดเรื่องที่แกพูดแต่แกก็เดินเดินเป็นการแสดงความเคารพทางกายก็ดีคนบางพูดก็บางพวกกอาจจะถึงการบริกรรมพุทโธหรือว่าพุทโธธโมสังโฆหรืออิติปิโสก็ว่าไปนั่นก็ดีในระดับที่มันเป็นวัจีสุจริตขึ้นมาด้วยกายก็สุจริตขึ้นมาวัจีก็สุดจริตขึ้นมานะบางทีถ้าคร่องปาก ก็อาจจะใจไม่น้อมนึกคือคิดเรื่องอื่นก็ได้ก็ว่าไปได้แต่ถ้าใจน้อมนึกมันก็เข้าถึงใจมันก็เดินไปได้ได้วยกันนี่ก็คือลักษณะของการขัดเกลาใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้คือให้พยายามไปเรื่อยๆแล้วท่านพวกพวกโจรเหล่านี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านก็ทำตามสติพลังของท่านคือตามศักดิ์ตามกาลังของท่านที่จะทาได้แล้วก็ท่านก็ได้รับประโยชน์ตามสมควรในชั้นนั้น ตกลงว่าจำเนทิมุตก็ได้กลับได้กลับก็ได้ไปบอกแม่แล้วก็อุปสมบทบางทีนี่แม่ถูกจับตัวเรียกค่าไทยก็มีนะพระเนี่เยอะเลยแต่พวกเหล่านี้จะอยู่ในวินัยบิดกซึ่งชาวบ้านเราก็ไม่ใช่แบบคริสนะครับพระไตรบิดกเราชาวบ้านอา่านไม่ไหวหรอกตั้งวางเรียงยาวเป็นวาเลยพระก็ต้องเชยย่อยมาให้ตีพระก็อา่านไปจบสักเล่มหนึ่ง แต่ว่าเราก็ย่อยออกมาในหนังสืออื่นอีกนะย่อยเป็นหนังสือเล่มเล็กเป็นโนโกว่าเป็นรายที่ที่เราเรียนทั้งหมดที่จริงเราเอามาจากพระไตริฎกทั้งหมดก็ดึงมาจากที่ต่างๆย่อๆย่อยข้อความเหล่านั้นออกมาแต่ที่จะให้อ่านในสํานวนบาลียาวๆก็รู้สึกว่ายากนะฮะสํานวนบาลีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษาไว้เพราะถ้าถ้าเราทิ้งสํานวนแล้วต่างคนต่างแปลเนี่ยเวลานี้ที่น่าห่วงมากที่สุดคือสวดมนต์ แปลกระดุตหลุดไปหมดเลยไม่รูปแปลวไวยังไงนะฮะแล้วก็นึกไม่ออ ก, กว่าข้อคำนี้มาจากไหนมันก็แนวคล้ายๆกับเรื่องเราแปลเขาเรียกแปลร้อยฮะแปลร้อยคือแปลพระเวสสันดรเ น, นี่ยฮะอัศเมแปลว่าในอาสมคําเดียวเนี่ก็แปลยาวเหยียดเลยอัศเมอันว่าพระอาสมบรมนิเวศวงศกฎเป็นที่จเจริญ พ, พรสมมิหันรามณิโยโหถสถานที่ว่าวาดดังพันทุกัมพลศิลาอาจมันลอยลงว่าปยาวเหยียดเลยคำเดียวเอง คำเดียวจะแปลได้หยดย่อยเลยเพราะงั้นเนื้อหาจริงๆที่เป็นพระพุทธวจนะเราก็ต้องรักษาเอาไว้เพื่อสอบทานได้ตลอดถ้ามีปัญหาอะไรต้องวิ่งกลับาหาต้นเดิมให้ได้ทีนี้ถ้าเรามาแปลหมดแล้วก็แปลสัมนวนต่างคนต่างแปลเนี่ยตัวบาลีเราไม่รักษาไว้พอถึงจุดหนึ่งนี่เราจะหาทางเทียบเคียงไม่ได้เพราะไม่รู้จะเอาใครเป็นหลักมันไม่มีหลักเลยบาลีจึงต้องรักษานะฮะ แล้วก็ บ, บาลีก็ควรจะสวดเอาไว้ด้วยอย่าไปตั้งข้อแม่ว่าแหมสวดบาลีไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปรู้เรื่องก็ได้นะให้ใจสงบสงบอยู่กับเรื่องเล่านั้นบางทีมันรู้มากไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันอ้อยสงบสงบเสวยบักอ่ะส่วนเวลาพระเทศเราก็หาความความรู้ไปเวลาแสดงก็หาความรู้ไปเออจากเรื่องราวของท่านอธิมุตินั้นเราก็มองได้หลายระดับด้วยกันนะฮะแล้วก็คนแต่และคนในโลกนี้ก็มี มีในระดับนั้นๆในความระดับแรกก็คือบารมีธรรมที่เก็บสะสมเอาไว้ของบุคคลมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปสร้างแนวโนม้มสร้างอธัธยาศัยให้บุคคลแตกต่างกันออกไปอย่างที่ทรงแสดงว่ากรรมเป็นตัวจาแนกแบ่งแยกให้คนเลวให้คนประณีตให้คนสูงส่งเป็นต้นแตกต่างกันไปตามกับ แต่ว่าในช่วงของการเกิดมันกําหนดอะไรไม่ได้มันเนื่องจากเงื่อนไขของการมันมีแย่นะฮะคือบางทีเวลาปฏิสนธิในคาร์มารดานั้นมันเกิดเป็นเหนี่ยวออกุศสนบางที่มีบารมีสูงแต่ว่าเป็นนียอกุศลอะไรเข้าไม่รู้ก็มาเกิดมาเกิดเสร็จแล้วอันนี้มันก็เหมือนกับมาเล็ดทรายตกลงในในในในตุ่มน้ำไม่ใช่มาเล็ดเกลือตกลงในตุ่มน้ำก็มันก็เข็นได้นิดเดียวเสร็จแล้วมันก็ละลาย ละลายไอ้น้ำมันก็ทําหน้าที่ของน้าต่อไปก็คนที่มีบุญกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนี้ก็มองมองไปในแง่ขอไนไยในแง่ของกรรมสี่นะฮะชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดไมรูกรรมอะไรแหละแต่ว่าถ้าอุปธ ร, รมพกกรรมไม่ใช่อุปคาตกรรมมันมีคือเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามมันก็พร้อมที่จะตัดจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างพระสังกิตหรือว่าสามเณรอนติมุตก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าดู เอ่อตระกูลที่ท่านเกิดก็เป็นตระกูลที่ตามแต่ว่ากุศลกรรมข้ามาตัดตัดผลของกองอากุศลที่ส่งมาเกิดแล้วก็ ท, ทําหน้าที่ให้ผลไปเองท่านก็เลยไปได้สูงทีนี้ในในขณะที่กรรมอะไรให้ผลอยู่ก็เหมือนกันแล้วมันก็มีปัจจุบันกรรมข้ามาเบียนได้นะข้ามาสร้างทำอันตรายต่างๆให้อย่างในกรณีนี้เรามองในแง่ของ การใช้ชีวิตปัจจุบันโดยตัวอย่างท่านนะฮะคือพยายามไปเชิญหน้าอันตรายอะไรอย่าหวั่นไหวตั้งสติให้ดีให้มั่นคงอย่าหวั่นไหวมันมีอะไรที่หนักกว่านั้นแต่เราไม่เจอก็ดีแล้วเราเจอขนาดนี้เราก็แก้ปัญหาหได้ที่เรามีปัญหามากคือไปตกใจซะเกินเหตุเรื่องอะไรก็ตามตกใจเกินเหตุหรือว่ารถบางทีรถมันไม่น่าไม่ไม่น่าจะชนไม่น่าจะตกถนนแต่มันตกใจมากเกินไป ตั้งสติไม่ได้เพราะสติขาดการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เป็นไปาตามอำนาจของการไม่มีสติอันตรายก็เกิดขึ้นเวลาไปเชิญหน้าอารมณ์อะไรที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสแสดงว่าป mm. ุกตแทสู้ระมิชนติภาวะวิกฤตนั้นต้องการจิตใจที่กล้าหาญให้จิตใจกล้าหาญมั่นคงเอาไว้นะฮะให้จิตใจกล้าหาญมั่นคงเอาไว้แล้วเราก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ สถานการณ์เหล่านี้เลวร้ายมากนะฮะมันจะเพื่อนจะตัดคออยู่รอมรอแล้วแต่ว่าท่านปริกแพางสถานการณ์ของท่านได้นั่นท่านเป็นพระหันแต่รูปแบบการใช้เหตุผลเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปก็ทําได้ทีนี้คนเรานั้นปัญญาบช้าทารุณอย่างไงก็ตามไม่ใช่ว่าเลวไปด้วยประกาศทังบวช คืบางคนเรายังหาจุดดีกัไม่เจอแต่นั้นเองจริงๆมันมีปมของคนอยู่ที่แกจะไปดีได้แต่นี่บางบางทีมันหาไม่เจอหาไม่เจอเขาไปสูญเสียเวลาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งสูญเสียเวลาอยู่กับทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็จบไปเลยไอป้ปมเด่นเหล่านั้นเอามาใช้ไม่ได้แต่บางคนถ้าแกเลือกของแกทันแกกําหนดทิศทางแกไปได้แกก็สร้างความจเจริญก้าวหน้าได้ ยังมีามาเคยสังเกตรพระเนรที่ก็อยู่กันมานานนะหลายแห่งแล้วก็หลายร้อยคือเนรมงค์นี้ไม่เอาไหนเลยนะตอนบวชเนี่ยนังซือก็ขี้เกียจเรียนแล้วก็นอนก็ตื่นสายสารพัดขี้เกียจแต่ก็มีปมอะไรก็แก่มีปมอะไรก็แก่บางปมที่ว่าเนรเนี่ยท่าศึกไปแล้วใช้ได้มันมีงานสำหรับคนประเภทนี้อยู่ที่จะเลี้ยงตัวได้ตั้งตัวได้ เช่นว่าเวลาเขาเรียนหนังสือนั่งเขียนการ์ตูนเขียนการ์ตูนเขียนเลยเขียนอยู่ตลอดงานเราก็ไม่ฟังอะไรนั่งเขียนมาเรียนเขาด้วยก็นั่งเขียนเราก็เอาปมตรงนี้ของแกเนี่ยบอกว่าเน้นไปเน้นฝึกไปฝึกตรงนี้ให้ดีฝึกตรงนี้ให้ดีหากินไงตรงเนี้ยหากินอะไที่เขียนเนี่ยเพราะเราเห็นปมแค่ปมเดียวแต่นั่นเองหรือบางคนนี่ชอบชอบทํางานชอบอะไรต่อไรแต่ถ้าเรียนหนังสือไอ้เรื่องของวัดของว่าไม่เอาไอ้คนอย่างนี้จะให้อยู่ภายในวัด นั่นก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดแกอยู่ไม่ได้เราไปตัดรอนอนาคตแกแล้วก็เสนอให้แกเลือกเอาเนรลองคิดดูสิเนนจะไปทางนี้ได้ไหมถ้าไปก็ไปแต่ถ้าจะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าแกได้ตั้งสิบพันสายสิบสองพันสาแล้วแกเกิดสึกแล้วก็เป็นการทําลายอนาคตแกเหมือนกันแล้วก็เสนอให้แกคิดเอาแล้วแกก็จับปมมันแกได้นะแกแปลงแกได้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยบางคนเราไม่น่าเชื่อนะไปชิวเลย ไอ้จิ๋วเลยสึกเน้นจากเน้นขี้เกียนะจเนี่ยท่านเจ้าคุณเทพกวีท่านบนด้วยเน้นอาสวะเนนอาสวะท่านบนเรื่นยแต่ว่าพวกอาสวะเหล่านี้มันมีปมของมันนะมีปมของแก่ที่แกบวชอยู่ไม่ได้หรอกไปแกต้องไปไปทางหนึ่งบางคนนั้นเป็นคารวะาเอาดีไม่ได้แต่ต้องมาในทางบวชมาในทางบวชจะไปได้อีกทางหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนแต่เรามองในแนว นแนวข้องพราบมาพรมนิจกิจมาแล้วนะฮะแต่ว่าแนวพุทเนี่ยบา ร, รมีอธิมุตตถพื้นเพียรัตรยาศัยเนี่ยมันแบ่งบานไม่ได้ถ้าอยู่ตรงนี้คล้ายๆไก่พืชต้นไม้เนี่ยถ้าปลูกตรงนี้มันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยเงื่อนไขต่างๆไม่อํานวยให้แต่เราก็ไปปลูกที่อื่นหาปลูกที่อื่นแกก็จะเดิญเติบโตได้ผลไม้เมืองหนาก็คือผลไม้เมืองหนาผลไม้เมืองร้อนก็นคือผลไม้เมืองร้อนแต่บางทีมันก็ปรับกาได้ ราพอได้อิสราเอแลแกก็เอาบทไม้อะไรแต่ไรมาปลูกยุ่งไปหมดเลยนี่มันก็อยู่ที่การพยายามปรับเข้าหาคือมองหาปมที่จะสร้างประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นสร้างคนหรือสร้างอะไรก็ตามเด็กอะไรก็เหมือนกันนะฮะเราก็มีปัญหาทั้งนั้นแต่ว่าเราก็มองหาปมของแกอยู่ว่าเด็กพวกนี้ยมันปมของแกมีอะไรที่แกจะไปได้บ้างแล้วก็ค่อยจวดสงเคราะอ์นุเคราะห์ทันสงทราะนุเคราะแก มาถึงพวกโจรเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโดยเพื่อนอัตยาสายแก่คับๆก็หยาบเหลือเกินแต่ทวนมากนั้นอาจจะถูกไอ้สภาพแวดล้อมมันดึงเข้าไปก็ได้มาไม่ได้สิ่งอย่างหนึ่งที่จะท้อนภาพอีก ม, มุมหนึ่งให้แก่เห็นแกก็เห็นภาพด้านเดียวคล้ายๆกับพระองค์ปริมาณท่านเห็นภาพด้านเดียวท่านก็ไปของท่านอุตลุดพอมองอีกภาพหนึ่งท่านก็หักกลับมาได้ดังนั้นพอแกไปเห็นอาการของพระอาทิมุดเข้า จากคําตอบจากการกล่าวอ้างของราติมุตว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในการได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้านั้นก็แสดงว่ามันเก็บอยู่ภายในใจแต่ยังไม่มีกําลังมากพอนะฮะที่จะให้เข้าวัดฟังธรรมได้ใจยอมรับอยู่กําลังมันยังอ่อนกําลังมันยังอ่อนพอได้ตัวอย่างประจักษ์โอ้โหลูกศิษย์พระพุทธเจ้าขนาดดาบเจาะคอหอยอยังไม่กลัวเลยดาบเจาะคอหอยอยังไม่กลัวเลยไอ้ศรัทธามันก็เกิดเพิ่มขึ้น แล้วก็อาศัยการสถานจากปฏิด้มันก็บวกผสมประสานกันก็บวกจากอดีตด้วยนะหมายความบารมีของท่านในอดีตการได้ยินในความเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตแล้วก็เผชิญกับปัญหากับเรื่องราวในปัจจุบันก็ผสมผสานกันหลายอย่างไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําให้ท่านเหล่านั้นทิ้งดาบวางดาบได้นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอนุภาพหลายอนุภาพนะฮะเป็นบุญญาอนุภาพก็เป็นบุญญาอนุภาพ แล้วก็เป็นเทวะไอ้พุทธานุภาพกับพุทธานุภาพก็หลายนุภาพด้วยกันมาเปลี่ยนแปลงชมผูพ้พวกมหาจนที่เที่ยมเกลียบให้กลับเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ตามสมควรนะตามสมควรในชั้นนั้นๆแต่มหมายความมาเลิกเป็นโจรได้มันก็ดีเยอะแล้วนะครมีมีคนคนหนึ่งเนี่ยมันขำอยู่ทางจันดีนะฮะทางจันดีนั้นอนั้นพลิกไปอีกแบบเมื่เรามองอีกทีมันก็ดีอีกแบบนะ แกชอบรักขโมยขโมยด้วยคนก็ไปฟ้องเพราะตา้คท้ า, ายพรทาทตั้ง้ายแต่เรียกพ่อคุณนี่ข่าวว่าไปขโมยก็จริงเหรอครับมันไปขโมยก็จริงกานบอกไม่ดีหรอกพ่อคุณการขโมยเขาไม่ดีหรอกเป็นขอทานจะดีกว่าจะเป็นขโมยอันนี้อันนี้มันมันมันพลิกจากขโมยเป็นขอทานมันบอกว่าเพราะ่านคท้ายสั่งให้มันขอทานมันไม่ยอมทําอาชีพอื่นก็ยังดีนะก็ยังดีกว่าไปขโมยเขา นะยังดีกว่าไปเข้าหมอขอมันก็ลดความรุนแรงลงไปได้อีกเยอะเลยเนี่คือคือคือถ้าเรามองแล้วเราก็ให้อภัยเขาได้ให้อภัยก็ได้ใจเขาได้ว่ายังมีอะไรที่เลวกว่านั้นแต่เขไม่ทําอ่ะเขาทาได้ขนาดนี้เขาก็ดีแล้วนะฮะดีกว่าคนเลวแต่ว่ามันก็ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นโจรทั้งหลายก็เหมือนกันท่านก็แยกเป็นระดับระดับแต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็ดีกว่าเมื่อก่อนคือดีกว่าเป็นโจรฮะดีกว่าเป็นโจรเมื่อก่อนแต่เรามองโลกแบบแยกแยะได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ โลกมันก็น่าอินดูขึ้นเยอะเหมือนกันนะคนทั้งหลายก็น่าอินดูขึ้นเยอะเหมือนกันในความรู้สึกของเร า, เาวันนี้ก็ขอจบไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความจะเดินนอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านเออ